48. พีชานิยามหรือจิตนิยามมีประทะัตตูปชีวีของตนของตนประทะัตตูปชีวีจะพัฒนาตนเองไม่ว่าพีชานิยามก็ดีจิตนิยามก็ดีในตนเองก็จเจริญในความเป็นตัวเองไปจนกว่าจะสามารถพัฒนาข้ามขั้นธรรมนิยาม ที่ตนเป็นอยู่ไปสู่ธรรมนิยามที่ดีขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นหรือไม่ก็เสื่อมลงต่ำลงตับลงเป็นอนิจตาได้เสมอจากผีนิยามจึงจะพัฒนาธาตุที่เป็นตนเองขึ้นไปอีกจากมีพลังงานของตนเองขั้นหนึ่งมาแล้ว ในความเป็นชีวะที่เรียกว่าพีชนิยามให้เกิดพลังงานข้ามขั้นพีชนิยามไปเป็นกิจนิยามพลังงานที่เป็นพีชนิยามนั้นจะมีพลังงานปรุงแต่งตนเองสังขารที่เป็นธรรมะสองทเวธ ร, ร ม, มาคือมีสัญญากับสังขารเป็นต้น ปรุงแต่งการเป็นพีชนิยามเป็นพลังงานสองพลังงานที่ยังไม่มีคุณสมบัติถึงขั้นเวทนากับวิญญาณพลังงานขั้นนี้จึงยังไม่ชื่อว่าอุปาทินกาสังขารสังขารที่มีวิญญาณครองหรือสังขารที่มีวิบากกรรมครองจึงยังไม่เข้าขั้นสัตว์ หรือขั้นจิตนิยามที่จะไปรู้ความเป็นกรรมหรือรู้ความเป็นธรรมะในพลังงานตนถึงกระนั้นจิตนิยามที่ได้ร่างเป็นคนแล้วก็ดีก็ใช่ว่าจะรู้เรื่องกรรมและเรื่องธรรมะกันได้ง่ายๆแม้จะฉลาดปราดเปรื่องในโลกสารพัดแต่ถ้ายังไม่ฉลาดในความเป็นปรมา ถ, ถามคือ จิตเจตสิกรูปนิพพานอย่างสำ ม, มาทิฐิตามความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถจะทำกรรมให้หลุดพ้นจากบาปจากชั่วของตนได้จริงแท้อยู่ในโลกในสังคมย่่งยืนตลอดไปเด็ดขาดพีชานิยามมันทำตนให้ฉลาดไม่ได้ เพราะมันไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นขันห้าบริบูรณ์แต่พีชนิยามก็สามารถพัฒนาตัวตนเซลล์ของมันโดยเริ่มจากประทัดตัประชีวีในตัวมันเองให้เจริญก้าวหน้าจนเป็นธรรมะขั้นจนิตยามได้พลังงานของพีชัินยามจึงสามารถมี ประทับตูปะชีวีสำหรับตัวมันเองได้เช่นเดียวกันกับกจิตนิยามส่วนจิตนิยามนั้นแน่นอนย่อมมีประทับตัวปะชีวีในตัวเองอยู่จริงทุกคนแต่ถ้าใครไม่ศึกษาอย่างสัมมาทิฏก็ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นประทับตัวปะชีวีของตนได้ แถมจะวิปลาสในความเป็นปรทัตตูปชีวีกันได้ง่ายๆเอาด้วยเพราะมันขันละเอียดยิ่งลึกมากดังนั้นคำว่าฉลาดที่พีชนิยามันทำตนให้ฉลาดไม่ได้เพราะมันไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นขันห้าบริบูรณ์จึงเป็นเงื่อนไขหลักที่ยืนยันความฉลาด ที่เรียกด้วยภาษาว่าปัญญาส่วนความฉลาดที่ไม่เกิดจากการสังขารของรูปกับนามครบความเป็นกายก็ไม่ชื่อว่าฉลาดที่เรียกด้วยภาษาว่าปัญญาเป็นความฉลาดที่เรียกด้วยภาษาว่าเฉกะหรือเฉกาเท่านั้น